ลำดับในคัมภีอัตกถาข้างต้นกล่าวไว้ตามลำดับการเห็นได้ยินไม่ใช่ลำดับแห่งการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพราะคนทั่วไปรู้ว่าอาจมีการลูกลิ่นเป็นต้นต่อจากการเห็นได้จึงมักเข้าใจผิดว่ารูปในลักษณะเห็นสืบเนื่องต่อไปจนถึงขณะดมกลิ่นอีกทั้งรูปใสในขณะเห็นและดมกลิ่น ก็เป็นบุคคลมีตัวตนดังนี้เป็นต้นที่แท้จริงแล้ววิปั ส, สนาเป็นแนวทางในการคัดจัดความยึดมั่นอันเป็นที่ตั้งของอนุสัยดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงควรกาหนดรู้สภาวะของรูปนามที่ปรากฏชัดทางทวารทั้งหตามความเป็นจริงเช่นรูปที่เป็นไปในขณะเห็นยังไม่ทันถึงขณะได้ยิน ก็ด <g Unless y in> ับไปในขณะเห็นรูปที่เป็นไปในขณะเห็นยังไม่ทันถึงขณะรู้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสหรือนึกคิดก็ดับไปในขณะเห็นรูปที่เป็นไปในขณะได้ยินยังไม่ทันถึงขณะเห็นรู้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสนึกถึงคิดก็ดับไปในขณะได้ยินรูปที่เป็นไปในขณะรู้กลิ่น ยังไม่ทันถึงขณะเห็นได้ยินลิ้มรสกระทบสัมผัผผมผมผมหสหรือนึกคิดก็ดับไปในขณะรู้กลิ่นรูปที่เป็นในขณะลิ้มรสยังไม่ทันถึงขณะเห็นได้ยินรู้กลิ่นกระทบสัมผัสหรือนึกคิดก็ดับไปในขณะลิ้มรสรูปที่เป็นไปในขณะกระทบสัมผัสยังไม่ทันถึงขณะเห็นได้ยินรู้กลิ่นลิ้มรสหรือนึกคิด ก็ดับไปในขณะกระทบสัมผัสรูปที่เป็นไปในขณะนึกคิดยังไม่ทันถึงขณะเห็นได้ยินรู้กลิ่นลิ้มรสหรือกระทบสัมผัสก็ดับไปในขณะนึกคิดนอกจากนั้นผู้ปฏิบัติธรรมพึงกำหนดระยะของรูปที่ปรากฏหลายครั้งว่ารูปครั้งแรกในเวลาเห็นยังไม่ทันถึงครั้งที่สองก็ดับไปในครั้งแรก และต่อไปรูปที่เห็นในระยะหนึ่งระยะหนึ่งก็จะดับไปในระยะเดียวกันนั้นไม่เหลืออยู่ต่อเนื่องถึงระยะอื่นดังนั้นจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน 6. พิจารณารูปที่เกิดจากจิต รูปที่เกิดจากจิตย่อมปรากฏในขณะที่โสมนัสหรือโทมนัสเกิดขึ้นดังข้อความในคำภีวิสุทธิมารคว่ารูปที่มีจิตเป็นสมุดฐานย่อมปรากฏด้วยเนื่องด้วยจิตที่อาศัยโสมนัสหรือโทมนัสข้อความนี้กล่าวไว้โดยมุ่งจะแสดงเวทนาที่ปรากฏชัดเท่านั้นในบางขณะจิตที่วางเฉยอันเป็นจิตสั่งที่ต้องการจะนั่งลุกเหยียบ ครูก็ปรากฏได้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมที่รู้เห็นสภาวะของรูปนามแล้วดังนั้นในขณะที่ความโสมนัสหรือโทมนัสเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบุคคลควรกําหนดจิตโสมนัสและรูปที่เกิดขึ้นในเวลาโสมนัสหรือกําหนดจิตโทมนัสและรูปที่เกิดขึ้นในเวลาโทมนัส ว, ว่า รูปนี้เป็นไปในเวลาโสมนัสยังไม่ทันถึงเวลาโทมนัตก็ดับไปในเวลาโสมนัสนั่นเองแม่รูปที่เป็นไปในเวลาโทมนัตก็ดับไปในเวลาโทมนัตนั่นเองไม่อยู่เหลือถึงเวลาโสมนัสดังนั้นแม่รูปที่เกิดจากจิตก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนในทํานองเดียวกัน เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดจิตสั่งที่ต้องการจะทำอกับกิริยาอย่างใดอย่างหนึง่งพร้อมได้รูปที่เกิดในขณะนั่งเป็นต้นย่อมรู้เห็นว่ารูปเหล่านั้นดับไปในขณะนั่งเป็นต้นจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนผู้ที่รู้เห็นพระไตรลักษณ์ในจิตตัชรูปตามในที่กล่าวมานี้ย่อมเข้าใจว่าสังขารทั้งหลาย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 ขันทั้งหมดนั้นมีสภาพดับไปเหมือนกันเมื่อดับแล้วไม่เกิดอีกเมื่อบุคคลจเจริญสติระลึกรู้ปัจจุบันแล้วรู้เห็นความดับไปของรูปนามในขณะเห็นได้ยินเหยียดคูก่อนจะเสียชีวิตย่อมเข้าใจว่ารูปนามในขณะเห็นเป็นต้นมีสภาพดับไป เหมือนรูปนามที่ดับไปเป็นครั้งสุดท้ายในเวลาเสียชีวิตเมื่อดับไปแล้วไม่เกิดอีกเป็นความดับสูญไปในแต่ละขณะขันเหล่าใดดับไปแล้วในอดีตขันเหล่าใดจกดับไปในอนาคตขันทั้งหลายที่ดับไปอยู่ในปัจจุบันระหว่างอดีตและอนาคตขันเหล่านั้นไม่มีความแตกต่างกันเพราะลักษณะที่ดับไป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 ย่อมรู้เห็นความตายในทุกๆขณะจิตอย่างนี้จึงเข้าใจว่าความตายเหมือนกับความดับไปของจิตดวงหนึ่งดวงหนึ่งที่กำลังรู้ในปัจจุบันสังขารที่ดับไปแล้วมิได้มาประชุมกันกองสังขารอนาคตยัอมไม่มีแม้สังขารที่กำลังเกิดขึ้นก็ดำรงอยู่ชั่วขณะเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดบนปลายเข็ม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 อุทพยายญาแต่ผู้มีปัญญาแก่กล้าสามารถรู้เห็นสภาวะอย่างนั้นได้เมื่อบรรลุสัมมาสนญญ า, า น, นี้แล้วพระอัตกถาจารย์จึงกล่าวเรื่องนี้ไว้ในสัมมาสนญ า, านท่านมิได้หมายความว่าทุกคนที่บรรลุญาณ น, นี้จะต้องรู้เห็นอย่างชัดเจนเช่นนั้น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 ได้ยินรู้กลิน่นลิ้มรสและกระทบสัมผัสแล้วรู้เห็นว่าดับไปโดยไม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนอกจากนั้นในบางขณะอาจพิจารณาเปรียบเทียบกับรูปภายในและรูปภายนอกที่กาหนดอยู่แล้วอนุมารู้ว่ารูปภายนอกทั้งหมดเกิดขึ้นและดับไป เหมือนรูปในปัจจุบันจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนการกำหนดนามทางนามศัตต์กะการกำหนดรู้รูปนามให้เห็นพระตรยลักษ์โดยวิธีเจ็ดอย่าง 1. กาลาปนาย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 ภาพรวมของนามธรรมโดยไม่แยกแยะอย่างชัดเจนว่าเป็นจิตสติปัญญาสมาธิวิรยิยะผัสสะเจตนาเวทนาแต่มยกนัยมุ่งกำหนดตามนามธรรมที่ปรากฏชัดเป็นหลักการกล่าวถึงการกำหนดจิตในหมวดนามสัตตกะ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 กำหนดรู้จิตดวงที่3ด้วยจิตดวงที่4ี่กำหนดรู้จิตดวงที่4ด้วยจิตดวงที่ห้ากำหนดรู้จิตดวงที่5ด้วยจิตดวงที่6กกำหนดรู้จิตดวงที่6ด้วยจิตดวงที่7จ็ดกำหนดรู้จิตดวงที่7ด้วยจิตดวงที่8ปดกำหนดรู้จิตดวงที่8ด้วยจิตดวงที่9ก้าำหนดรู้จิตดวงที่9ด้วยจิตดวงที่สิบ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 แม้บุคคลอาจกำหนดรู้จิตดวงที่10บเป็นต้นไปด้วยจิตดวงที่11และดวงต่อๆไปอีกได้ตลอดวันก็ไม่ควรกำหนดรู้จิตอย่างเดียวแต่ควรกลับมากำหนดรูปรูปเมื่อกำหนดจิตดวงที่10บแล้วหลังจากนั้นก็จะ ก, กำหนดจิตดวงที่หนึ่งที่กำหนดรูปดังนี้เป็นต้น หลักการพิจารณาทั้งหมดที่ได้กล่าวไว้ในเรื่องสมัสนญาณ น, นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เทียบเคียงกับวิปัสนาญาณที่ปรากฏในขณะเจริญสติระลึกรู้ตามในที่กล่าวไว้ในปริเชศที่5มิได้มุ่งให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่ควรกังวลว่าต้องกําหนดให้สอดคล้อง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 เพราะยังขจัดทิฏฐิไม่ได้โดยมักขยานดังคำพีมหาดีกาของวิสุทธิมักกล่าวว่า 1. ผู้ปฏิบัติธรรมที่บรรลุสมสนญาณ น, นี้เป็นผู้มีทิฏฐิหมดจดด้วยการบรรลุทิฏฐิวิสุทธิและกังขาวิตรณะวิสุทธิ 2. แต่ท่านกล่าวไว้อย่างนั้นโดยเนื่องด้วยทิฏฐิละเอียด